Mmm. -hmm. ทงที่ความคิดเกิดความคิดนำสิ่งที่อาสวะเข้ามาอาสวะก็ไหลต่อเ น, นื่องเหมือนลำธารซึ่งหลลึกเนยากที่จะจัดการมากครับดังนั้นยุทธศาสตร์ในการภาวนา น, นั้นคือการเร้าความรู้สึกสดๆครับผมใช้คำพูดนี้อาจจะฟังแปลกใหม่ออกบางท่านแต่ถ้าคนที่คุ้นเคยจะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับคำ ว, ว่ารัความรู้สึกสดๆ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 ลึกของชีวิตเป็นการงานของสมองและพลังอำนาจของสมองในการสร้างจินตนาการนั้นมหาศาลในมนุษย์นะครับยิ่งกว่าสัตว์เผาผันธ์ใดทั้งสิ้นครับช้างมหาวัวฝ้ายช่วยไม่ได้นั้นนะครับแม้แต่เด็กเล็กๆพอรู้ความได้นี่พลังจินตนาการเขามากมายนลครับเขาจินตนาการถึงข้างหน้าถึงอดีตได้ในขณะที่พผาผันธุ์สัตว์อื่นนั้นทําได้น้อยมากครับ ดังที่ผมบอกแล้วว่าพลังจินตนาการได้เป็นรากฐานอารยธรรมของมนุษย์แต่ภายใต้การพัฒนาการอารยธรรมนั่นเองสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าการห้ำหั่นกันเนะครสงครามใหญ่ๆสองครั้งมนุษย์ตายเป็นเบอือเลยนะสงคราม ย, า ย, ย่อยๆเป็นล้านครั้งสงครามระหว่างเผ่าสงครามครั้งหน้าจะเป็นไรเรายังไม่รู้เนื่องจากคุณสิทธิภาพของมนโนภาพของพลังจินตนาการพลังจินตนาการเลยให้ทั้งคุณนั้งโทษเด็ดเด็นะครับ มมีคนไปถามอันเบอร์ไอสตาย์ว่าให้ช่วยพยากรณ์สงครามโลกครั้งหน้าเขาบอกเขาพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าครั้งที่สีแล้วได้คือมนุษย์จะเริ่มใช้ก้อนหินทุกหัวกันกนี่คนคือมนุษย์จะสูญเผ่าพันธุ์แล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับนี่คือประสิทธิภาพของสมองนะแต่เพราะกันนั้นความเจ็บปวดในสังคมของมนุษย์ก็เกิดจากความชานฉลาดของสมอง ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยดึงออามาใช้นี่คือสิ่งที่เราทอดทิ้งองค์อินทรีย์ที่สำคัญหรืออาจจะอายัดนที่สาคัญนะครับผมอยากจะเรียกว่าอายตนะที่ไม่มีความทุกข์ครับมีอยู่แต่เปรียบเหมือนกับว่าทางเดินในป่าซึ่งคนเ้าเคยเดินมาสิิปีต่อมาหมู่บ้านร้างครับทางก็เริ่มค่อยๆปิดยญ้า ค, ค่อยค่อยขึ้นทางยังมีอยู่ครับแต่ไม่มีคนเดินอีกแล้ว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 เมื่อเต่าหดทุกส่วนของอวัยวางเขาเข้ามาในกระดองอะไรก็ทําอันตรายเขาไม่ได้แต่ถ้าก็ยื่นมาเมื อ, อะไรเด็กก็เอามีดตีเอามีดหันหรือเสือกัดเขาได้แต่กระดองเขาเป็นเครื่องคุ้มครองที่สําคัญนึกเกิดติดตัวกับเขามาด้วยติดมาตั้งแต่เกิดเลยเรื่องกระดองเตา่ตาเขเต่านั้นเปนเดียวกันไม่มีกระดองเต่าไม่มีครับเต่าไม่มีกระดองก็หมดความเป็นเต่า ท, าทันทีมนุษย์กับสภาพปกติ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 ลบโวนแล้วปกปิดสิ่งเนี้หมดเลยหรือช่องว่างที่อยู่ข้างหน้าเราร้รอยวันพันปีเราไม่เคยรู้ครับว่าเราเดินมุดไยมุดมาแต่ถ้ามีทุกคนหนึ่งมีคนบอกว่าคุณเคยสังเกตช่องว่างอันมากมายไม่รู้จบที่อยู่ข้างหน้าคุณหรือเปล่าเราก็เริ่มเอกใจใช่ไหมครับเราก็เริ่มระดมความสังเกตแต่เราจะเห็นมันตรงๆไม่ได้ครับเพราะมันเห็นผ่านทางนิมิตหมายเช่นมือผมยกขึ้นมาเราเริ่ม รู้สึก่มีช่องว่างระหว่างกลางมือสองมือพอมือลงเรารู้สึกว่าช่องว่างนั้นหายไปที่จึงช่องว่างไม่เคยเกิดแล้วมันหายไปไม่ได้ด้วยครับมันอยู่ตรงนั้นแต่เราเห็นมันไม่ได้อาศัยมีมิตสองข้างกาหนดสมมุติขึ้นเราคิดถึงความหลุดพ้นได้ครับแต่นั้นไม่ใช่ความหลุดพ้นแต่เราจาเป็นมากที่ต้องกลับเข้าไปสู่รากฐานในตัวเอง เหมือนที่ผมอุกมาเหมือนเต่ากดกลับข้าในกระดองเส้นทางการเดินทางกลับนี้ครับสำคัญที่สุดครับความเจริญององามก้าวหน้าไม่ว่าของปัจเจกหรือชุมชนหรือสังคมโลกก็คือการเดินทางกลับเข้าสู่ฐานะแรกเริ่มก่อนเกิดเมื่อพระภิกษุรุปหนึ่งชื่อไวยมิงออกติดตามสังฆปรินยศที่ยังไม่ได้บวชไว้หลัง เมื่อชวนตัวท่านวางบาตรเราะว่านักบุตรคนนั้นประสงค์บาทและจีวานของเชื่อกันว่าเป็นของธธอพระพุทธเจ้าพระภิกษุวมิงก็กลา่าวอุบาสกน้อยที่ต่อมาเป็นสังฆปริณายกว่าช่วยสอนธรรมะท่านผีคืออะไรกันแน่สังฆปรินายกอง์นั้นก็บอกว่าเธอทําจิตใจให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วแล้วไปย้อนรอยไปสู่ภาวะที่ก่อนเกิดก่อนบิดามารดาพบกันนั่นคืออะไร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 ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดคำอธิบายสิ้นสุดความคิดปรุงแต่งสิ้นสุดความทะเยอทะยานสิ้นสุดการไขว่คว้าต่างๆแล้วครับฟังแล้วดูเหมือนเป็นงาที่ยากแสนเข็นนะครับตอนที่สุดเราพบว่าไม่มีทางออกอื่นใดเลยทุกหลอกมนุษย์อริยมรรคเอืองแบบทางเัินประเสริญนั้นไม่ได้อยู่นอกตัวเลยครับต่อให้แจกแจงเปนแข้อแประการก็ตาม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 บางท่านอาะคิดว่านี่ไม่จริงเลยเรามีความหวังเราก็มังแต่งงานใหม่เราก็มังได้รถยนต์คันใหม่แต่ขอให้ดูดีๆนะครับขอดูดีๆไปสิ่งอันนี้มันจะใหม่อยู่ตลอดการหรือไม่นะครับมันจะใหม่อยู่ทุกๆวันหรือไม่อย่างนั้นดูกันไปครับแต่ถ้าเป็นอนยตนะสิ้นทุกโอ้ผมว่ามันใหม่ ม, มันเป็นอะไรซึ่งไม่อยู่ในเครือองการเปลี่ยนแปลงครับ เรามาดูง่ายๆจากความรู้สึกสดผมอ้างถึงความรู้สึกสดนะครับความรู้สึกสดๆคือความที่มันสดๆไม่รู้จะพูดอะไรดีเนะี่ยความที่มันไม่อยู่ในเครื่องความทรงจำนะความรู้สึกสดๆความรู้ตัวสดๆอันนี้ไม่มีเพศครับมันจับอยู่ที่ร่างกายซึ่งเป็นนิมิตหมายของชายหรือของหญิงแต่ความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายพราะผู้ชายก็รู้สึกอันนี้นะรู้สึกตัวอันี้ผู้หญิงก็รู้สึกตัวนี้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 แม้แต่คำถามทำไมเรายังพูดได้และที่ร้ายที่สุดก็คือทำไมความรู้สึกตัวยึงปลากดที่เราคำถามดูคล้ายๆบรรยาอ่อนนะครับลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกตัวจริงๆของเราเป็นอะไรเราพบาถ้าเราถามย้อนลึกเข้ามาในตัวเองเนียสมองเราจะเงียบทันทีมันจะหายซุกซ น, นเป่นทีครับปกติสมองเรามันจ ะ, ตะเตลิดไปดเปิรนเรานั่งเราชอบปล่อย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 เวลาผ่านไปเป็นเดือนปีนั้นยากที่แก้ไขแล้วครับคนรุ่นเรานั้นจะว่าเสพสิ่งต่างนะครับเสพอารมณ์ต่างนะั้นที่ร้ายกาจที่สุดคือการเสพกับความคิดทุกครั้งที่ความคิดเกิดเราเอากรรมันไปกรรมันเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราดึ ง, งความรู้สึกสดๆขึ้นมาคือย้ายฐานเหมือนผมบอกแล้วนะครับว่าจากฐานของตักกะ แยกแยะถึกนึกคิดแล้วค้นหาอะไรนี้ย้ายฐานมาที่ฐานของสัมผัสจริงนะครับการย้ายฐานนี่เป็นงานใหญ่มโหฬาร ม, มากไม่ใช่งานง่ายเลยครับแต่ก็สำหรับผู้ที่เข้าเข้าใจแล้วผมคิดว่าไม่ใช่งานที่ยากเปรียบเหมือนกับว่าการย้ายรังผึ้งสำหรับคนไม่รู้จักธรรมชาติของผึ้ง แล้วคิดเข้าใจผิดย้ายพึ่งทีละตัวงานจะไม่สําเร็จด้วยแล้วเจ็บปวดด้วยนะฮะเพราะพึ่งมันมีพิษอา จ, จะถึงตายก็ได้นะฮะแต่สําหรับคนที่รู้จักธรรมชาติของพึ่งดีเขาย้ายพระราชินีตัวเดียวเท่านั้นครับเอาพระราชินีของพึ่งไปในที่ใหม่ที่เราต้องการฝูงพึ่งงานตามจะบินตามไปเองข้อนี้ผมอุบมาเหมือนกัา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 สติตของความรู้สึกฉับันพอมือแกวงนิ่งจะเย็นกระพริบตาเย็นวูบสิ่งนะี้มันรู้ตลอดเวลาแม้แต่ความลืมสมมติเราลื ม, มจานึกออกมันยังนึกออกว่าลืมมันรู้จักความลืมด้วยครับนั้นกล่าวได้ว่าธรรมชาติอันนี้เป็นสัพพันญ์ูในตัวมันเองนะคือมันรู้ได้มันรู้สึกพราสุขเกิดมันรู้ครับ ทุกเกิดมันรู้แต่ตัวมันยังไม่สุกไม่ทุกข์ทำเมือนตัวตัวสภาพรับรู้นี่เป็นสุขเนี้ยมันจะรู้ผิดไปหมดครับตอนนี้รู้สุกรู้ทุกข์แต่ตัวไม่สุกไม่ทุกข์รู้เขียวรู้ดํารู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้อ่อนรู้แข็งเวลาลืมก็รู้ครับรู้ว่าลืมเวลาโง่ก็รู้ว่าโง่ครับดังนั้นเราเห็นประสิทธิภาพอันนี้นะฮะแล้วเราพดดุมตัวนี้ขึ้นมาครับ กระตุ้นในตัวนี้ทําหน้าที่กันทุกทีทีขึ้นมาทวงดุลกันก่อนกับพลังอำนาจของความคิดนั้นความคิดก็พลังอำนาจความคิดกับพลังของความรู้สึกตัวเริ่มได้ส่วนกันต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบรรดสารคือกรงกลืนครับในเรื่องกลงกลื น, น, นทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าให้เราเลิกใช้ความคิดเราเลิกใช้ความคิดเราก็กลางต่อไม้ตันเดียครับเราปล่อยให้ความคิดมันคิดอยู่ครับ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 คือคิดสั้นเข้ารู้ตัวไวขึ้นอย่าที่กลัวว่าความคิดสั้นแล้วจะไม่ดีนะครับตารวจลึกๆจะพะว่าความคิดมากมายส่วนใหญ่ที่เรามีในหัวขยะทั้งนั้นนียครับซึเรามีความคิดน้อยแต่ว่าทุกความคิดแจ่มใสชัดเจนนั้นดีที่สุดครับโดยย่อแล้วก็คือกระตุ้นความรู้สึกสดขึ้นมาเพื่อจะตัดกระแสความคิดเพราะในกระแสความคิดนั้นแม้ความคิดจะไม่ใช่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 เรามีขวดหรือแก้วน้ำอยู่มีน้ำมันอยู่อยู่เต็มเลครับสมมติว่าผมมองดูสมมติว่าขวดนี้มันโปร่งผมก็เห็นแต่ขวดไม่แน่ใจมี น, มน้ำหรือเปล่าเพราะมันเต็มเปี่ยมไม่มีเครื่องหมายแบ่งแยกเลยนะพอผมยกขวดน้ำไปน้ำก็ไปด้วยครับนความรู้สึกตัวนี่มันมีในเราตลอดเวลาผมยกมือในความรู้สึกตัวไปด้วย ทุกคนคือความรู้สึกตัวครับเมื่อผมพูดถึงความรู้สึกตัวนั้นหมายนิงพูดรวมคุมคลุมมานะแต่ถ้าพูดให้สั้นกว่านั้นอีกซึ่งหมายนี่มั น, ม, นมันพัฒนางไปเลยดับเมื่อเมื่อรู้สึกตัวมากๆแล้วมันจะละเอียดอ่อนขึ้นนหมครับผมใช้คาําความรู้ตัวในความหมายหนึ่งคือสัมปชัญญะนะครับคิดว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็ตามใจนะครับถ้าละเอียดขึ้นมากกว่า น, นั้นนะครัเป็นรู้ล้วนๆครับ รู้เฉยๆสมมติถ้ามีลมพัดมาเนี่ยครับลมเย็นพัดพวกมาเนี่ยถ้ารู้ไม่เฉ ย, ยคืออ้อมีลมเย็นพัดมามันคิดลุงแต่งด้วยครับลมกำมันผู่กายเราเย็นดีสบายดีอย่างนี้เรารู้แบบปรุงแต่งครับส่วนรูล้ล้วนๆหมายความว่าพัดวูบมาเนี่ยมันมันผ่านเลยคนระับมันไม่ไม่จดจําถึงนั้นไว้ นั้นความรู้ล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆ น, น, นะครับใครที่จริงฝ่ายพระยาเรียกว่าพุทธะครับสภาพตื่นสภาพรู้เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในจิตใจทุกดวงซ่อนแฝงพลังของความตื่นไว้ดีนั่งตรงนี้นะครับเราก็นั่งอาจจะบางท่านอาจจะง่วงบ้างก็ได้แต่ถ้าใครทุกคนหนึ่งเอางูเห่าตัวโ ต, ว ต, วตวโยนลงมาทุกคนจะนิ่งไม่ได้ครับ เราร่างกายนิ่งอยู่แต่จิตใจตื่นรูปเต็มดีนะครับดังนั้นพลังศักยภาพอันหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตทุกดวงนะครับคือความตื่นแต่เราตื่นไม่มากครับขณะนี้เนี่ยเราต้องปลุกร้างให้มันตื่นใมากกว่านั้นความตื่นอันนี้บางทีก็เรียกพระพุทธเจ้าไวารอชนะอะไรนะเมื่อมันตื่นสว่างสวัยขึ้นมาดังนั้นเราเป็นเม็ดพันุ์ของพพุทธเจ้าครับ เราไม่ใช่องค์พรเจ้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ทุกคนมีธรรมชาติของความตืซ่อนแฝงอยู่เหมือนเปแยบเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักหรือมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรนะครับถ้าเราหยิบมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรมาชูให้เด็กดูบอกหนูเชื่อไหมว่าในนี้มีต้นไทรเป็นแสนต้นเลยเชื่อไหมเด็กบอกไม่เชื่ออย่ามาโกหกเด็กยากแต่เด็กก็ถูกนะเด็กไม่เชื่อเพราะว่าลำพังมเม่ได้เืนไม่มีอะไรจริงๆนะแต่ครั้นผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับ มีประสบการณ์ด้านปลูกต้นไม้เขาเอาไปลงดินแล้วระมัดรวงังอย่าให้มแมลงหรออุปสรรคใดเกิดก็ เ, เกิดเป็นต้นไซใหญ่ปนะออกลูกออกหลานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จบเลยครับท่าไใดก็ฉันนั้นครับมนุษย์ก็คือมเมล็ดพันธุ์ของพุะพุทธการโาวนา น, นั้นคือการเพราะปลูกเร้าให้มันตื่นขึ้นมันช่างน่าแปลกจริงครับที่เรานั่งตรงนี้เราสลมสลือง่วงพอใคร ผู้ิงเปลือยขอโทษนะฮะเดินทางนั้นตื่นกันเต็มตาเลยแต่ตื่นด้วยอำนาจของอุปาทานทำไมไม่ตื่นด้วยพลังในตัวมันเองนะครับชาร์จพลังมาเองนั้นให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะรับรู้โลกที่จังาสและชัดเจนกว่านี้แล้วเพราบว่าในขณะเราง่วงนอนความคิดเรารุมแตแกลายแล้วเราไม่มีแรงต้านลาต่อให้ความคิด คือเราไม่ตากกรานังเข้ามาย่อมหีขณะที่เราชึมกระตือเนี่ยหรือขณะที่เรานั่งรถไปต่างจังหวัดม่วงไอ้ส่วนหนึ่งก็รู้ด้วยว่าคนมองอยู่นั่นหน้าอายวันนั้นที่นิหูหน้าปากโคบถนัดคันหน้าแต่ไม่มีกําลังที่จะตื่นแต่พอรถชนกันโครมตื่นจําสายขึ้นมาแล้วนธรภาวนาไม่ใช่เรื่องพิสดานอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้มันตื่ น, นมากกว่านนะ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 เราก็รู้สึกอ่านเพื่อนล้อก็ต้องไล่แต่ไล่ควนกันให้ยุ่งไนหมดยี่สิบปีให้หลองครับจบใหญ่มาเรียนหนังสือนังหาแล้ววันงานขึ้่อนรุ่นรุ่นเล่านั่นแหละเล่าเพื่อนฟังอย่างคึกคลื่นด้วยความเซอของเราเองเราเล่ามันอย่างคึกคลื่นสนุกมีความสุขต่อเรื่องเพินครั้งหนึ่งเราจะปวดแสมสาผมตั้งถามว่ามีอะไรเกิดขึ้น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 ศักยภาพในการอยู่เหนือความทุกข์ศักยภาพที่จะทำให้ตัวเองเปล่งแสงที่ทไม่ทุกข์บ า, างครั้งเราเรียว่าอายตนะที่สิ้นทุกข์นะมีอยู่ในตัวเราทุกคนขึ้นว่าเราจะทํามันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งสงบแบบสมถธิซึ่งครูอาจารย์ของพระเจ้าสององค์นั้นสั่งสอนท่านาพระเจ้าจับได้ไม่ไม่ใช่ทางท้าวอ๋อ เรื่นั่งสงบนั้นมันก็สัมผัสความสงบสุขได้ดื่มด่ำได้แต่เนื่องจากเราไปสะกดะกดทับมันอยู่มันแสดงตัวเหมือนกับเราออพีบคลุมหัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนในห้องนี้ซึ่งไม่ตรงตามที่เป็นจริงเลยนะพรามสงบชนิดที่เกิดจากการกระทมนั้นไม่ทิงแท้ถทาว่นนะเมื่อไม่ได้ทำ หรือในโอกาสในสภาพแวดล้อมใหม่มันก็ไม่สงบแล้วถ้าจริงอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับคนที่สงบมากๆพอจอหนี้สมัยหนึ่งเนี่ยร้ากาจมากเลยเพราะเก็บกดไว้ตลอดเวลาพอร ะ, ะเบิดออกมาทีนี้เอาไม่อยู่นะครัจริงมีความสงบอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เฉลียวใจสงบเพราะรู้ตัวครับเหมือนก็ว่าคืนหนึ่งแล้นอนหลับฝันว่าวิ่งหนีผีหรือเสือเจาะจะกิก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 แต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นละครที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราซึ่งเราต้องจัดการอย่างโดดเดี่ยวทีเดียวครับในคราวนี้ผมหมายว่าไม่ใช่ห้ามการคบเพื่อนการมีกระยาลมิตรนิมิสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาได้ในตัวเราเรื่องมันเกิดในเราต่อพระพุทธเจ้าสิพระองค์นี่ครับท่านช่วยเราไม่ได้เลยครับผมไม่ได้พูดได้ทอแท้นะอย่างผมผมนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะผมกับพิตารทุกท่านก็สังเกตได้ว่าผมยังเป็นๆอยู่ยังไม่ตาย ผมแกล้งไม่อยู่พิจารณแต่ไม่อดหายใจไม่ได้นักพที่อยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าผมยังเป็นเป็นอยู่ อ, อ๋อผมแกล้งหยุดหายใจด้วยนะผมคิดอะไรรู้ไหมครับถ้าผมไม่ดูสักคนเดียวนี้จะไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลยวนี่ยที่ความคิดเกิดแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีครูก็ดีเนะียธรรมะแปดหมื่นดีพระคราต้องแปดหมืนสีพันยืนเข้ามาไม่ได้เลยครับมีคนเดียวมีธรรมชาติหนึ่งเดียว การเฝ้าดูจิตไม่ใช่รูปแบบต่อไปครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำป่อยรถเมงเพราะไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยจ้าง ก, ก็าด้วยเงินเป็นหมื่นเป็นล้านก็ทําไม่ได้ครับบอกว่าจ่ายเงินเป็นเดือ น, อนละหมืน่นเดือนละล้านช่วยดูความคิดในทันทีทําไม่ได้อย่างนี้ช่วยประคองเมื่อความคิดมันเกิดแล้วท่านนั้นเองครับนั้นการภาวนานั้นเป็นวิทยาอุตสาหะเฉพาะตัวจริงๆเนี่ย กุญแจรับขาเรื่องนี้อยู่ที่บานประตูของความคิดครับเมื่อล็อกประตูความคิดถูกขายความลุ่มลึกก็จะเกิดดังนั้นในพระคัมภี์จึงระบุเน้นว่าเมื่อยานกับวิญญาณทัดเทียมกันความลุ่มลึกจะปรากฏความลุ่มลึกคือประตูนั่นเองเห่นี้ความฉับไวในการเห็นความคิดเรายังไม่พอครับเรายังใช้ความคิดเพื่อคิดถึงความคิดอยู่ถ้าคำม่าจะฟังแปลกปลาด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 แต่ความเจ็บปรากฏเพราะผมไปหยิกที่จุดเฉพาะาขึ้นมานะฮะแต่แท้จริงเราต้องเล้าให้ความรู้สึกตัวตื่นทั้งระบบทั้งระบบให้มันตื่นขึ้นครับไม่ใช่ไปนั่งสะกดให้มันหลับนั้นการปฏิบัติภาวนาแบบสมถา น, นั้นเป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากๆนะับแล้วประการสำคัญที่สุดลองวกย้อนไปสู่เรื่องลเล่เก่าๆประสบการณ์เก่าๆจากสำหรับตำรานะ พระสาวกหลายองค์ไมได้ปฏิบัติทำเลยครับอ ง, องค์คริมานี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยฆ่าคนตลอดเวลาถือว่าการฆ่าชีวิตปลิดวิญญาณเป็นการภาวนานครับจะเจอพระเจ้าทำไมถึงรู้เรื่องนี้ได้พายะองค์หนึ่งที่เป็นที่มาของการมณิปราสิทธีนะครับซึ่งจากเรื่องจริงในพระารรมโอเบย์ไม่ได้ปฏิบัติอะไรครับได้ยินประโยคสองประโยชคเข้าถึงมันทันที ซึ่งเป็นสิ่งน่าแปลกน่าอัศจรรย์ยิ่งในพุทธศาสนาเราอยากคิดเรื่อเรื่อจริงเป็นไปไม่ได้แต่เราควรจะคิดว่าช่างหน้าอัศจรรย์จริงเหมือนอาจารย์ลุงวานบอกนะธรรมะของพระเจ้าช่วยมนุษย์ได้จริงช่างหน้าอัศจรรย์คนไม่รู้หนังสือคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะเข้าถึงได้เพราะการปฏิบัติรกากฐานอยู่ในตัวเขาเวลาพระเจ้าท่านรับอาราธนาในการสอนธรรมะในโลกมนุษย์นะฮะจากพร่ ท่านพิจารณาถึงบัวสามเหล่าไม่ใช่สี่นะครับบัวเหล่าที่สีนะ่นอาจารย์รุ่นหลังก็เติมเข้ามาแต่ก็มีเหตุผลที่เติมขึ้นมาพวกอะไรนะครับปะทะประมาพรงมากหมดพวกเป็นเหยื่อเต่อปลาอาจารย์รุ่นหลังเขาอยากจะแบกดันคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยนะแต่จริงๆต้นตอนจริงพระเจ้าบอกไว้สามเท่านั้นนะครับคือบัวที่บานแล้วครับบัวที่ปลิ่นน้ําและบัวที่อยู่ใต้เงาซึ่งทุกชนิดจะบาน ผู้เจ้าท่ามองมันู้นมันบานได้ทุกคนแต่สําหรับท่านเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานท่านเลือกกระบวัวเฉพาะที่กลิ่นน้ำํำที่คนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ยินเนีเสียหายถ้าได้ยินจะบานในวันรุ่งเลยครับแั้วข้อที่จริงคือผู้เข้าถึงธรรมะมีโดยไม่รู้ตัวก็มี น, ะนี่เป็นคํำจัดของพระเจ้าไม่ใช่ของผมนะผมบอกว่าผู้ที่สถาทธาเขาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามมีบุคคลที่รู้ธรรมะเองได้แต่ก็รู้ตามภาษาของเขานะครับ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 ถ้าไม่ต้องการทำไงก็ไม่ไปครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการไ ม, ไม่อยากเดินทาง